ได้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติสึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะมามากเป้าสมควรการฟังธรรมเป็นสิ่งจำเป็นการเรียนธรรมก็เป็นสิ่งจำเป็น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 ก็หมายถึงว่าพระองค์มารู้ของจริงที่มันมีอยู่แล้วแต่ของจริงอ น, นั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธกล่าทรงเป็นผู้สร้างสุดแต่หากพระองค์รู้จริงเห็นจริงแล้วก็ามาบัญญัติชื่อบัญญัติชื่อเอาไว้ <c oughs> เพื่อเป็นหลักสูตร ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเช่นอริยาาสัจสี่คือทุกข์สมุทัยไม่โลภรก็เป็นของจึงที่มีมาอยู่แล้วนมนานเราพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนมาตัดสรู้เราก็ยืนยันรับรองว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ก็มาตรัสะรู้ธรรมของเก่าของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยได้ตรัสะรู้มาแล้วเมื่อสมเด็จพระสมณานุปัมสำ ม, มาลสงามพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็มาตรัสสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่อันเป็นของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์อื่ น, นๆเคยตรัสะรู้มาแล้ว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 ความแก่ก็เป็นทุกข์เมื่อนำปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยย่อมจะมีได้ทุกๆสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตแหละไม่มีชีวิตเส้นเกิดมาในโลกนี้ไม่จะพาะแต่คนเลยก็แม้แต่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 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกสัมผัสรู้ด้วยจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราถือว่ามันเป็นทุกข์ความโศกเศร้าความดั้มใจความเหี่ยวแห้งใจความไม่รยโยรณ์พัาดพาและก็ทำให้เรารู้สึกเกิดทุกข์ พวพอันนี้มันเป็นวกของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเป็นพวกของคนเหล่าสัตวที่มีที่มีร่างกายและมีจิตีใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่คอยมีจิตมีใจแล้วต่อได้รับภกเหล่านี้มาแล้วพระบิดาของพระพุทธเจา้าพระมารดาของพระพุทธเจา้า ย่อมโคยได้ประสบทุกาังที่กล่าวมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเากิดเพราะฉะนั้นความจริงอันนี้มันก็เป็นความจริงอันหนึง่งต้องเป็นสัจธรรมจะเข้าในประเทศแห่งพุทธาอริยสัพเป็นสัจจะเป็นของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วอันนี้็เป็นหลักฐานพยานสอแสดงให้เห็นว่า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 เพื่อให้เข้าไปรู้ของจริงอันนั้นซึ่งเรียกว่าทุกขริย y ัต a t เรอีกอันางหนึ่งคำว่า ท, ทุกในอริยสัต์นั้นแล้วหมายถึงทุกของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจซึ่งไม่ในแต่ต่างกันกับทุกในพระใจรักทุกในพระใจรักนั้น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 แต่อมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดนั้นและสิ่งที่มีชีวิตก็อยู่ในกฎแห่งความเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคนเราที่เกิดมาเราประทงตัวอยู่ชั่วชีวิตหนึ่งในที่สุดก็ย่มสลายตัวเหมือนกันความรู้สึกในคิดที่มีอยู่ในจิตในใจของเราถ้ามีลราศจกความเป็นชั่วขนาดหนึ่งแล้วก็ทรงตัวอยู่ ในที่สุดต้องสลายตัวเหมือนกันซึ่งได้ในกฎพระมัญญติของพระพธธุทธเจ้าว่าอ น, นิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่เจตัวไม่เจตน์เหรือหาความเป็นตัวเป็นตนไม่มีดังนั้นความเป็นไปของคำว่าทุกในอริยสัจและทุกในทัศน์ใจละจึงมีในต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วนั้น <c oughs> ทีนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าวางหลักคำสอนเอาไว้ตั้นเป็นหลัก ใ, ใหญ่ใหญ่ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอุบายได้เป็นผลทางที่พุทธบริษัทจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อสร้างคุณธรรมคือการดีให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจจนถึงขนาดที่เต็มสมาี่ปัญญาประชุมพร้อมลงเป็นอริยมรรคสามารถเกิดสติสัมปทันญะขึ้นมาเป็นมหาสติด้วยวิธีการต่างๆวิธีการที่จะเป็นปัตินั้นเราเรียกกันโดยทั่วๆไปว่า สมถะรมฐ า, านหละวิปัสนาสมรมฐานที่นี่หนทางที่จะเข้าไปสูกวามรูจริงเห็นแจ้งในสภาวัรรมทั้งฝู ง, งนั้นเราจะหนีจากหลักแทงการปฏิบัติสมถะรมถ า, า, านวิปัสนาสมฐานไปไม่ได้ได้กล่าวแล้วว่าการศึกษาธรรมะและการเรียนธรรมะ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 ก็เพียงแต่กำหนดตรงที่ตัวผู้รู้เส้นปาวกดอยู่ในจิตจดต้องอยู่ที่ตรงนั้นอย่างเดียวแล้วคอยจดต้องดูว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นภายในจิตตามกำหนดรู้สิ่งนั้นอย่าไปปล่อยโอกาสอะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรูอะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรูด เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้ตามเห็นไปมากกว่าราจิตที่เรามีความคิดขึ้น <c oughs> อันนี้สำหรับผู้ที่เคยภาวนามาจนสันนิษํนานแล้วสำหรับผู้ที่เริ่มใหม่ซึ่งเกิดจังไม่เคยมีสมาธิและไม่เคยเกิดภาวะตัวผู้รู้ขึ้นมาในจิต ให้เอาศัยการกําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกบ้างหรือกําหนดบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนชำนิชนานาญเช่นพุทโธเป็นต้น <c oughs> ให้กําหนดจับจ้องลงที่จิตแล้วเอาจิตเล็กพุทโธพุทโธพุทโธนล็กโยยอย่างนั้ น, นเลจกโยชอยเผย อย่าไปทำความรู้สึกว่าเมื่อไรจิตของเราจะสงบเมื่อไรจิตจะเกิดสวา่างเมื่อไรจิตจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาการภาวนาในเบื้องต้นนี้ไม่ใช่เพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นสิ่งอื่นเพื่อให้รู้ให้เห็นสภาพกามเป็นจริงของจิตของตัวเองเราจะเริ่มรู้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 ซึ่งเป็นอดีตสัญญาหรือว่าไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆให้เราสังเกต ด, ดูความจริงในตอนนี้ทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเลิมพุโทโธแล้วมันจะอยู่ในกฎสัญญาอาดีตที่เราเคยนึกคิดใปจดจาซึ่งเป็นสิ่งอื่นนอกจากาพุโทโธนั่นแสดงว่าจิตของเราละจริงพุโทโธ แล้วก็ไปเย็ดเอาอารมณ์ต่าแก่มาเป็นความรู้สึกในจิตตามวิสัยตงเป็นอาการของจิตฟุ้งซ่านแต่ถ้าหากว่าจิตเลิมความว่าพุโทโธแล้วไปนิ่งอยู่เฉ ย, เ, ฉยเมื่อมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาอย่าไปนึกถึงพุโทโธอีกให้กำหนดรู้ลงที่จิตเฉยเฉยอยู่ แต่ในช่วงนี้ถ้าลมหายใจปลาดกขึ้นในความรู้สึกก็ให้กําหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจะต้องดูอยู่อย่างนั้นอย่าไปสร้างความรู้สึกนึกคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องไปนึกวนะ่าลมหายใจสั้น ลมหายใจยาวเป็นแต่เพียงกําหนดรู้จดจ้องอยู่เฉยๆเท่านั้นความสั้นความยาวความละเอียดความหยาบของลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตรู้อยู่จิตแจ่มรู้ความสั้นความยาวความหยาบความละเอียดของลมหายใจอยู่ในทีโดยที่เราไม่จําเป็นต้อง ไปเน้สสำคัญมั่นหมายว่าลมหายใจหยากลมหายใจละเอียดลมหายใจสั้นลมหายใจยาวหรือลมหายใจหายขาดไปแล้วกาหนดดูลงที่จิตตัวผู้รู้จดต้องอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้นในขณะที่ท่านกาหนดจดต้องดูอยู่ที่ลมหายใจเิด อ, อยู่ อะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ต้องไปคำหนึ่งถึงคำนั้นถ้าในช่วงนี้จิตมันเกิดความประวางขึ้นมาก็จะไปเอกใจกาหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหาเกิดภาพในนิตต่างๆขึ้นมาก็จะไปเอกใจกาหนดรูดล้ลงที่จิตอย่างเดียวเลยจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นอุทานธรร ม, มเป็นภาสิ เรื่องปุพเพนเป็นความรู้เป็นภาษา mm. ก็อย่าไปสําคัญมั่นหมายอย่าไปเอกใจกําหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวถ้าหากว่าท่านไปเอกไปหรือเอาใจใส่กับสิ่งนั้นสภาพจิตมันจะเปลี่ยน mm. เมื่อสภาพเปลี่ยนแล้วสมาธิจะถอนสิ่งที่ท่านกําลังกําหนดรู้อยู่นั้นมันจะหายไปทันทีอันนี้ขอให้รับปฏิบัติทั้งหลายถึงระมัดระวัง และในเมื่อท่านจดจ้องเอาจิตรู้อยู่ที่จิตและก็รู้อยู่ที่สิ่งที่จิรู้ความตั้งใจกำหนดจดจ้องอยู่อย่างนี้ด้วยเจตนาท่านเรียกว่าวิตกเมื่อจิตตับอารมณ์สิ่งที่กำหนดรู้มีความสนิทแน่ น, น ไม่คาดจาักกันทรงตัวอยู่โดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะควบคุมอันนี้เรียกว่าปิจารณเมื่อจิตตอบารมมีความซึ ม, ามราบและมีความซาบซึ้งลงไปในดวงจิตความโ ด, ดดเดิงก็ย่อมเกิดขึ้นเพาการโดดเดิมของจิตนั้นเรียกว่าตีจิปตีติเกิดขึ้น ทำให้รู้สึกกายเบาจิตเบาบางทีทำให้ตัวโยกโกงบางทีทำให้ตัวเหมือนกับจะลอยขึ้นสู่อากาศบางทีก็ทำให้รู้สึกหนักตัวซึ่งสุดแท่แต่อาการของจิตอันจะปรุงจะแต่งขึ้นให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวตอนนี้ปล่อยให้จิตมันวเหวี่ยงตีติด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 ในสิ่งภายนอกยังปรากดอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆ ห, หรือปรากดจังละยิบในเมื่อเจตผ่านขั้นตอนขั้นนี้ไปแล้ว <c oughs> จิตจะมีความสงบแน่ๆนิ่งลงไปไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือเอกัตาในตอนนี้จิตของท่านสงบอย่างละยิ มีแต่สภาว่าจิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวสมาธิขั้นต้นนี้โดยส่วนมากในเมื่อจิตสงดลงไปถึงขั้นอัปตะตาสมาธิหรือเอกตคตาอย่างแค่จริงแล้วเราจะรู้สึกว่าตายหายไปหมดยังเหลือแต่จิดตดวงเดียวล้วนๆแล้วในตอนนี้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 เจตรงนี้ท่านเรียกว่าปฐมมจิตเรียกว่าปฐมบิน ญ, ญาณเรียกว่ามโหธาตุเป็นเหตุให้ผู้ภาวนาได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตด่างเดิมของตัวเองเือจิตที่ไม่มีอะไรนั้นมันมีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะรู้ในตอนนี้และเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิในขั้นนี้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 เพื่อทำให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิเนื่อนักอัปปนานนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ภาวนานั้นรู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเองเมื่อว่ารูมจิตในขั้นนี้จะยังไม่เกิดปัญญาตาญาณรู้เห็นอะไรก็ตามแต่ก็เป็นพื้นฐานสร้างความมั่นคงของจิต เมื่อจิตผ่านความเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้าสิ่งที่จะพึงได้เป็นผลตามมา ก, ก็คือวามมีสติสำปัญญะจะใสปลากรดเป็นตีละน้อยละน้อยในขั้นแรกจิตสงบเพียงครั้งสองครั้งเมื่อจิตออกจากสมาธิขั้นนี้แล้วมันก็จะถอยโคตๆออกมาโดยไม่กำหนดอะไรเลยออกมาโูความ เปนซึ่งเคยเป็นมาั้แต่ก่อนที่ยังไม่เคยทันสมาธิแต่ถ้าเจ็ดถอนสมาธิแบบนี้บ่อยๆเข้าเมื่อจ็ดถอนออกมาเกิดตามคิดจะเกิดในตัวสติตามรู้ความคิดขึ้นมา ท, าทันทีจิดคิดอะไรแต่สติก็จะจ้องตามรู้ให้ผู้ภาวนารีบสวยโอกาสในตอนนี้กําหลด ต้องตามรู้ความคิดของตนเองไปเรื่อยๆเจตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงสแต่ว่ารู้อย่างเดียวอย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์หรืออย่าไปช่วยมันคิดเพิ่มเติมปล่อยให้จิตคิดไปเองโดยธรรมชาติของมัน หน้าที่การควบปฏิบัตินี้มีแต่ตั้งใจตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆในเมตัวสติที่ตามรู้ความคิดเจตเอาความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกของสติสติสัมปชัญญะจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังขึ้นเป็นสติพละจนสามารถกลายเป็นสติวินโย สามารถกลายเป็นมหาสติเมื่อเจตกลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เมื่อไรสติวินโยสติจะเป็นผู้นำเป็นผู้นำคือเป็นผู้ตามตามรู้อารมณ์คือตามคิดซึ่งโกรธขึ้นกับจิตเมื่อเจตเมีสติตามรู้อารมณ์คือตามคิ ด, ด, ด, ค ด, คคดทันกันเมื่อไรเมื่อนั้นความคิด เร่งเราคคยมีอยู่แต่ก่อนนั้นมันจะกลายเป็นภูมิปัญญาโดยลักษณะที่ว่าจิตัวผู้รู้ก็จะลากรู้อยู่ส่วนหนึ่งแต่หักและสิ่งที่ออกไปคิดค้นฟ้าในอารมณ์นั้นก็จะมีดูอีกส่วนหนึ่งแต่หักมองมองดูแล้วคล้ายๆกับว่าเราคนเดียวมีจิดสองติดมีใจสองใจ แต่แท้ที่จริงมันก็เป็นใจเดียวนั่นแหละแต่ใจหนึ่งจิตหนึ่งมันสงบนิ่งเป็นตัวผู้รู้เพราะอาศัยพลังของสติประครอบครองเอาไว้ให้อยู่ในสภาพปกติในอีกอันหนึ่งนั้นกราแสแห่งผู้รู้มันออกไปรับรู้อารมณ์ในมาโลขึ้นมาแล้วจิตมีสติอาศัยสติเป็นพละเป็นกาลัง จงไม่ไปย็ดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองปรุงขึ้นมาในเมื่เจตปรุงความโลขึ้นมาโดยไม่มีความย็ดถืออาการของกิเลสมันก็ไม่มีมีแต่รู้เฉยอยู่อะไรรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไป ในเมื่อจิตมันสงละเอียดลงไปปัญญาส ต, ติตัวนี้มันละเอียดลงไปรู้ทันกันอย่างละเอียดลงไปโดยไม่ขาดสายสายสัมพันธ์แห่งส ต, ติมันเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาความรู้ความติที่เกิดขึ้นในจิตนั้นมันจึงกลายเป็นตัวปัญญาที่ว่ารู้ทำเห็นทำ รู้แจ้งแทงตรดในธรรมในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็หมายถึงรูง้ทันความคิดที่เราเคยคิดอยู่ตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ภาวนาหรือภาวนาไม่เป็นเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วมีสติมีสมาธิดีเลือกว่ามีพระผ้าพร้อมจิตจิตมีปถาวิรยะสติสมาธิปัญญาพร้อม มีศีนสมาธิปัญญารวมพร้อมลงเป็นหนึ่งตัวที่ปลาบปดเด่นพัดให้เรามองเห็นก็คือความมีส ต, ติความรู้เท่าทันอารมณ์นั้นๆทีนี้ความคิดที่โคยทำให้เราวุ่นวายเดือดตอนอยู่นั้นไลยมันจะกลับกลายมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องละเล็กของส ต, ติเมื่อจิตส ต, ติประกอบพลังเป็นอันเดียวกันแล้วรู้ทันเหตุกานั้ น, น, น มันก็กลายเป็นตัวปัญญาจึงเกิดเป็นตัววิปัสสนาขึ้นมาด้วยประการลักษณนีต่อ น, นี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรดกำหนดติดลงกำหนดรู้ลงที่ติพยายามจดจ้องลงที่ตัวปู้รู้ เลอผู้ที่ยังภาวนาไม่เป็นก็กำหนดบริกรรมภาวนาตามที่ตนเคยทำนิสานามาแล้วผู้ที่เคยมีสมาธิมาแล้วและทำสมาธิได้เร็วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบริกรรมภาวนาอีกกำหนดรู้ลงที่จิตเท่านั้นต้องรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้คอยดจดต้องว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิต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 ปัญญาภูมิขั้นแห่งวิปัสนาในภาคปฏิบัติเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพื่อมันเกิดเป็นความรู้ขึ้นมานั้นเองแต่ความรู้ในขั้นนี้มันก็ยังเป็นภาคปฏิบัติในขั้นวิปัสนายังไม่ใช่ตัววิปัสนาอย่างแท้จริงในเมื่อเจตสํมมลดตามรู้สิ่งที่รู้เรื่อยเรื่อยไปเมื่อเจตรู้ซึงในสิ่งที่รู้นั้น บางทีมันอาจจะโล่ซึ้งลงไปว่าความคิดอ่านทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งมันจะโล่อยู่ในทีแต่มันจะไม่ว่าอนิจจ์ทุกขัองอนัตตาขึ้นมาเมื่อมันโล่ซึ้งก็เข้าไปสู่ความสงบนิ่งสว่างอีกครั้งหนึ่ง นั่นแสดงว่าจิตมันตัดสินภูมิความโลภพรมปัญญาที่เกิดขึ้นมาเมื่อมันโล่งตึงเห็นจริงแล้วมันก็ตัดสินเข้าไปสู่ความสงบนิ่งสว่างอีกทีหนึ่งในคัมภี์ท่านกล่าวไว้ว่าจิตมันจะมีการสงบใจอยู่อสี่ครั้งครั้งที่หนึ่งจิตข้าขึ้นสู่ภูมิแห่งกระจดดาบันครั้งที่สอง เจตเ้าขึ้นสู่ภูมิแห่งพระสะกทาคามีครั้งที่สามเจตเจ้าขึ้นสู่ภูมิแห่งพระอนาคามีครั้งที่สี่เจตเจ้าขึ้นสู่ภูมิแห่งพระอระหันต์เช่นอย่างท่าน ญ, ญาโกลคันยะฟังพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าอย่างไร จนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาซึ่งเป็นธรรมชาติของความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตย่อมมีลักษณะอย่างนี้ใครจะรู้เห็นอะไรมากมายกับการใดก็ตามมันก็รวมลงไปสู่ความว่ายังกินจินส ม, มุทัยธรรมมังสัพพันปังนิโรธธรรมมันติ สิงได้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจิงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาความเห็นความรู้ในขั้นสุดยอดมันมีเพียงแค่นี้ใครจะเท่ไปยังไงอธิบายไปยังไงพิจารณาไปอย่างไ ร, ไงไ ร, ไงไรในเมื่อจิตมันรู้แท้งเห็นเจงลงไปมันก็มีแต่ยังจิง้จี้สมุทญาณธรรมบางอย่างเดียวเท่านั้นเพราะความรู้อันนี้มันไม่มันเดียเหนือสมมติบัญญัติอยู่เหนือโลกเป็นความรู้ขั้นโลกุตตาละธรรม เมื่อท่านอัญญาโฟนทัญญารู้แล้วเห็นแล้วพจจะระพุทธเจาก็ยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันในเมื่อได้เป็นพระโสดาบันแล้วจะพุ่งอุตปาทิจากตก ข, ของท่านสว่างโคมขึ้นมาปัญญาอุตปาทิปัญญาตามรู้รอบสามารถทรงตัวได้อยู่ในสภาพปกติเป็นองค์อริยมรรคก็สว่างโคงขึ้นมา วิชาอุทตปาฏิความรุแจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็น จ, จริงปรากฏขึ้นเมื่อวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นแล้วมันก็สามารถขับไล่อวิชาเกิดความไม่รู้ให้หมดไปอาโลโกโอุตปาฏิภูมิจิตของท่านเจงสว่างสวัยไม่มีที่สึกิ้นสุดสว่างไปทั่วโลกทีนี้ พวกเทวดาภูมเาาิเทวดาอาคาสตะกะเทวดาจงกระทั่งผมมโลกก็ส่งเสียงอุน่นทะเงบอกข่าวก็ต่อไปว่าพระอรหัสตอรหันต์ผสมมาสาวกเกิดขึ้นในโลกแล้วเสียงดังจุดก้องปนกระทั่งท่านอากนิษฐานสมที่เราสวด ต, ต่อท้ายธรรมจักรปวัตนสูตรวันนั้นไปเทศทวัดบรวรมีบาศุอุญญากราสวด ก็หมายถึงโสดว่าอโสดื่องของเทวดาได้รู้ว่าท่านอญญาโสรนญะได้ดรงตาเห็นธรรมล้วก็ได้บรรลุเป้โสดาบันมีการเพื่นชนยินดีแล้วก็บอกต่อๆกันไปเป็นท่านๆจนกระทั่งถึงท่านอภิอนิษฐาปุ่มท่านในเจิงเธอเทวดาเจิงรู้ก็เพราะว่าท่านอัญญาโสัญญะเนี่ ในรูรทมเห็นทำแล้วดวงจิตของท่านสว่างสวัยแผ่รัศมีครอบกลมโลสว่างไปหมดมันก็กระทบ ก, กระเทือนถึงจิตใจของเทวดาเทวดามีความแต่สนโกลาผลก็บอกข่าวต่อๆกันไปอันนี้คือความอัศจรรย์ของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติมีท่านอัญญาโตรันดเป็นตัวอยา่างเอาละต่อ น, นี้ไปเป็นอันว่าจุเทศ แล้วก็ขอให้ทุกท่านจงกำหนดจิตทำความสงบจนเกี่กว่าจะถึงเวลาอันสมควรแต่ต่อไปนี้เป็นรายการตกบปัญหาธรรมะกสึงรู้สึกว่ามีผู้เขียนคำถามมามากไม่ทราบว่าจะตอบไหวหรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> สำหรับปัญหาของ ของท่นอานอันดับแรกมีคําถามว่าขณะที่อยู่ในสมาธิเข้าไปอยู่ในองค์ฌานขณะที่อยู่ในองค์ฌานมีแสงสว่างจ้าใสแจ๋วเหมือนสุ่มไก่ขณะใจครอบตัวในขณะนั้นจิตสงบนิ่งอยู่ในแสงสว่างที่ครอบตัวอยู่อย่างสบาย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 าการกำหนดโล่อ็อจะให้กำหนดู้ลักษณะของจิตเดินฐานไอาชานในขั้นต้นนี่เรียกว่าลูกฌานมีอยู่สี่ขั้นการทำสมาธิบรรลุฌานขั้นที่หนึ่งประกอบด้วย อ, องค์ห้าอจิตยังมีวิตก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 เขเรียกว่าจิตยอยู่ในฌานขั้นที่หนึ่งถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นไม่สามารถที่จะเข้าฌานแบบนี้ได้เรื่งความเป็นของจิตอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญคือการเข้าฌานยังไม่ชำนิํำนาญยังไม่เป็นวสี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 ขอตอบรวมกันเลย <c oughs> สำหรับทานขั้นที่หนึ่งได้ตอกไปแล้วที่นี้ทานขั้นที่สองผ้าจิตมีลักษณะสงบนิ่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารจิตมีความสว่างสวัยมีความรู้สึกมีปีติมีสุข แล้วมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกคตาอันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่สองเรียกว่าทุติยฌานถ้าหากปิติหายไปยังเหลือแต่สุขกับเอกคตาจิตอยู่ในฌานขั้นที่สามถ้าสุขหายไปยังเหลืออยู่แต่เอกคตากับอุเบคขา ซึ่งในขั้นนี้จิตมีลักษณะแห่งความเป็นหนึ่ง้าจะว่าโดยสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกาอัปปนาฌานว่าโดยจิตเรียกว่าอัปปนาจิตอันนี้จิตจูในฌานขั้นที่สี่ซึ่งประกอบด้วยองค์สองมีความเป็นหนึ่งคือเอกคตา แล้วก็มีความบางเฉยคู่คกื้อเบกขาเป็นลักษณะผู้ที่ได้ทานข้อที่สามผู้ที่ได้ทานขั้นอ่าผู้ได้ทานสี่แล้วจะพ้นอบายยาปุ่มไม่ใช่อ่าใช่หรือไม่ถ้าได้ทานสี่แล้วถ้าตายในขณะอยู่ในฌานพ้นอบายยาปุ่มชั่วขนาดหนึ่งตายแล้วจะเกิดเป็นรูปตม เมื่อกำลังชานเสื่อมแล้วบางทีบาปกรรมยังติดอยู่จนติดจากคมแล้วก็ลงนรกยังไม่พ้นอบายที่แน่นอนค้นทั่วขณะที่อยู่ในฌานและคูมิิดอยู่ในฌาน <c oughs> คือว่าการอยู่ในฌานนี่สมาธิในฌานนี่มันจเจริญได้ง่ายแล้วก็เสื่อมได้ ดังเช่นโลกจิตของท่านลมหาปัสสะได้สําเร็จทานสมาบัติแล้วไปในเหาะไปเหาะไปไอาจารย์เตือนว่าอย่าประมาทอยู่มาวันหนึ่งสามเมล็เข้าฌานแล้วก็เหาะไปในอากาศพอดีอยู่ในระหว่างอากาศนั่นแหละระหว่างที่อยู่ในอากาศนั้นที่ถอนจากฌานก็พอได้ยินอ้าวบังเอิญได้ยินเสียง ไอ้สตรีลองเองเ ก, เกิดมีความยินดีขึ้นมาพักหนึ่งเข้าชานไม่ถันชานเสื่อมเลยตกลงจากอากาศในประดูตี่คงไม่หักเพราะกำลังชานนั้นช่วยเขยุงอยู่เพราะฉะนั้นคาว่าชานชานเนี่ย <c oughs> จะมีได้เฉพาะเวลาที่ผู้ปฏิบัติตั้งใจจะเข้าอยู่ในทานเท่านั้น เมื่อออกมาเราอยู so like no ่ในภาวะธรรมดาอย่างนี้ทานไม่มีเราจะนั่นการบรรลุทานจึงไม่เป็นแนวทางที่ให้สัจจะรู้เพราะมันมีเสื่อมมีเจริญ้าาก็ผู้ที่เข้าทานไม่สำนิกำนาญเมื่อเกิดเหตอะไรขึ้นมาเข้าทานไม่ทันก็เอาตัวรอดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสามเนรลูกติดกระมาอักคสัออกไปในอากาศ เกี่ยวถอนจากฐานเพียงขณะเดียวแต่นั้นสัมผัสจับเสียงที่เป็นที่ยินดีฐานเสื่อมก็เลยตกกลวงมาจากอากาศเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฐานสี่แล้วยังไม่พ้นอาบายยปุ่มพ้นเฉพาะเวลาที่อยู่ในฐานเท่านั้นเอง <c oughs> อาข้อสี่ขณะที่อยู่ในองค์ฐานก็ดีหรือปฏิบัติอยู่ในขั้นอัปนาสมาธิก็ดี ขั้งสองระดับนี้มีแต่ความสงบนิ่งถ้ามีนิมิตถ้ามีนิมิตก็รวยอํานาจของฐานบ้างของสมาธิบ้างแต่ปัญญาไม่เกิดถ้าจะให้ปัญญาเกิดต้องถอนสมาธิจากระดับจิตถอนสมาธิจากระดับหนึ่งมาสู่อีกระดับหนึ่งความรู้จริงจะเกิดขึ้น ขอเรียนถามว่าทาไมจึงเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติของจิตที่อยู่ในอัปปนาสมาธิหรืออยู่ในฌาน <c oughs> สมาธิตั้งแต่ระดับฌานขั้นที่สามขั้นที่สี่ปฏิยาฌานจะจุดฌ า, านเป็นสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติซึ่งผู้ปฏิบัต ปราศจากการประคับประคองจิตหรือปราศจากความตั้งใจใดๆทั้งสิ้นจิตจะอยู่ในฌานทั้นที่สามที่สี่เป็นสภาว่าจิตที่เป็นเองโดยพลังของตัวเองคือพลังของสมาธินั่นเองในช่วงนี้จิตจะไม่มีอาการแห่งความรู้สึกนึกคิดใดๆมีแต่ความนิ่งสว่างอยู่ในองค์ฌานเท่านั้น เมื่อโกฏิบัติถามว่าจะถอนจิตจากระดับหนึ่งมาสู่อีกระดับหนึ่งอันนี้ทำไม่ได้นอกจากว่าจิตจะถอนออกมาเองเพอเกิดความรู้สึกคิดขึ้นมาเรียบตั้งสติกำหนดตามจึงจะทำได้จิตอยู่ในฌานขั้นที่สามที่สี่นี่เป็นจิตนิ่งไม่ไหวจริง าาการสัจสัญญาเจตนาใดๆทั้งสิ้นเจตนาที่จะให้จิตอยู่อย่างนั้นไม่มีเจตนาที่จะให้จิตถอนไม่มีคือมันไล่สมถะภาพโดยประการทั้งปวงแต่จิตจะถอนออกมาได้ก็ต่อเมื่อถึงการเวลาที่จะถอนออกมาเองทีนี้เในตอนต่อไป <c oughs> ความอ่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะธรรมชาติของจิตยอยู่ในฌานขั้นนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาจะเกิดเกิดอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิหรือขั้นอัปปนาเพราะผู้ภาวนายังจับไม่ค่อยได้ เพราะในระหว่างนั้นอยู่ในขั้นปล่อยวางอาัญญาอันเป็นความคิดพอที่จะล้อมเล็กพิจารณาอะไรได้นั้นอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นในขั้นอุปจารสมาธินี้เป็นความคิดที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจ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 ความรู้ในขั้นอุปจาระสมาธินี่มยังมีสมมติบัญจัติยังมีชื่อที่จะเรียกสิ่งนั้นๆั้นว่าเป็นอะไรทีนี้นเมื่อจิตันตามรู้ตามเห็นความรู้โูมรู้ในขั้นอุปจาระสมาธิถ้าหากว่าจิตมันจะรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปแล้วมันจะแสดงอาการรวมลงเป็นสมาธิลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งไปสู่ความว่าง ความบ้างอันนี้ก็คืออัปปนาสมาธิทีนี้ในอัปปนาสมาธิในขั้นนี้ถ้าหากว่าจิตเคยผ่านการพิจารณาสภาวะธรรมมาแล้วจิตจะเกิดโภมความรู้ขึ้นมาแต่โภมความรู้อันนี้อยู่ในขั้นละเอียดมากเพียงจะสับว่ามีสิ่งรู้ แต่ไม่มีสมมติัญญัตในสิ่งรู้นั้นว่าเป็นอะไรมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ก็อย่างที่ในท้ายธรรมจักรประวัติสสูตรที่ได้อธิบายตอนท้ายธรรมเทตนากันนี้ที่ท่านญาโคนทัญญาเห็นธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองและการรู้ธรรมของจริงนี่มีแต่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น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 ลรวเขียนไว้เราอาจจะค้นไม่เจอก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราหมัน่นที่นี่พิจารณาหมั่นทำหมั่นภาวนาแล้วสิ่งเหล่านี้จะผ่านเข้ามาในการรู้สึกของเราเองในเมื่อพูดถึง่อนนี้แล้วแม้ว่าในหลักการของการเจริญอรูปภาพสมาทานที่มีบท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 ยังสามารถมองเห็นร่างกายของตัวเองที่นอนเหยียดยาวอยู่เมื่ออาการแห่งความปฏิพูลของสติพูนปราเกิลลกดขึ้นเช่นร่างกายขึ้นอืึน้นำเหลืองไหลเมื่อหนังเน่าเปฟยผุพังเป็นชิ้นๆซึ่งล้นแต่มีลักษณะแสดงให้ให้มีความรู้สึกรังเกำจิแต่สภาวะจิตที่รู้เห็นนั้นไม่ได้เกิดความังเกำจิ ถ้าในขณะนั้นเจตสัตวะสูัเห็นอยู่เตยๆความรู้สึกยินดียินร้ายความรู้สึกว่าสวยไม่สวยไม่มีมีแต่สภาวะเสมอกันหมดในบางครั้งในเมื่อภาพอสุภาะนิมิตปลากฏขึ้นมาพร้อมๆกันนั้นอาจจะมีปลากฏภาพที่สวยงามที่สุดมาเป็นเครื่องเปลี่ยนที่เมื่อเจตของพวกภาวนาแห่งมองสิ่งที่ลู่เห็นอยู่นั้น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 หรือปฏิเสธไม่เชื่อเลยทีเดียวก็ไม่ถูกต้องแพระธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์ขอให้พิสูจน์ให้มันได้ข้อเท็จจริงสักอนอันนี้ขอฝากไว้สำหรับผู้ที่ท่าน <c oughs> สนใจในการปฏิบัติในส่วนนี้ปัญหาข้อนี้มีคำถามเกี่ยวกับภูมิจิตที่เดินทางสี เมื่อเวลานมานี้มีท่านผู้หนึ่งเขียนจดหมายไปถามเกี่ยวกับเรื่องจิตเดินผ่านแต่ยังไม่ได้ตอจบจดหมายนั้นไปยังผู้ถามจึงจะขอเสือโอกาสนี้ต อ, อบในข้อที่ว่าท่านผู้นั้นถามมาทําไมเมื่อจิตเดินผานในระยะแรกนั้นเราสามารถกําหนดที่ตกวิจารณีสุขเพกคัคขตา กำหนดโลชั่นเป็นขั้นตอนแต่เมื่อนำมาเข้าทำาไมกกำหนดไม่ได้ปูมจิตมันเสื่อมหรือ ว, ว่ามันจเจริญมันผิดหรือมันถูกอันนี้ขอตอบว่าเป็นธรรมชาติของภูมิจิตที่โดนอยู่ในฌานที่ชำนิชำนานแล้วในขั้นแรกแรกพอจิตนึกวิตกวิาศาลเติดปีติเจตันเพิ่งจะได้ดื่มรสแห่งปีติเลยความสุขจากสมาธิ มันก็ยั้งยั้งอยู่เป็นเวลานานเมื่อจิตผ่านองค์ฌานบ่อยๆเข้าความธรรนิชนานก็เกิดขึ้นและความติสุขในขั้นฌานย่อมจางไปเนื่องจากความธรรนิชฌานของภูมิจิตที่เดินฌานและจิตที่มีควาอารสณกกินในรสแห่งปีติติและความสุขไม่ติดในความสุขอันนั้น เราจะนั้นในการเข้าฌานในครั้ ง, งต่อมาจึงทาให้รู้สึกว่ารวดเร็วมากเดียวจนกระทั่งผู้เข้าฌานไม่สามารถจะกําหนดได้ว่าปีติสุขเอกคตาเป็นอย่างไรพอกำหนดจิตทับลงที่ตัวรู้บางทียังไม่นึกถึงคำบริกรรมภาวนาสายตายังไม่ได้เพ่งนิิดจิตลมบกบเขาวิ่งทวนเข้าไปสู่ฌานขั้นที่สี่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 ไม่เข้าใจในศีลบางข้ออยากจะเรียนถามว่าศีลข้อที่หกวิตาลโภชนะคือห้ามทานอาหารเกินเที่ยงโหนทำงานพักเที่ยงกว่าจะทานเสร็จก็เกิดเที่ยงขึ้นถ้าโหนถือศีลแปด นนูอยากจะกล่าวว่าสีมข้อนี้จะขาดเรือเปล่าการกำหนดวิการะโพชนะนั่นถือเอาเวลาลุ่มอรุณไปถึงตะวันเพี้ยนตะวันะตะวันคล้อยไปเตียงสององคุรีถือว่าเป็นวิการะโพเป็นเวลาเหา่อันนี้ <c oughs> การถือสีหรือการรักษาสีเนี่ย ถ้าเรามีความจำเป็นหรือไม่มีโอกาสที่จะทำได้ก็รูกเรื่องสีแปทนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปยึดให้มากนักเพียงแต่แค่ในสีนห้าข้อเท่านั้นก็สามารถํำเพนสมาธิบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วก็กลับจะสบายตีการถูสีเกินกว่าห้าเนี่ย ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติเราปฏิบัติไม่ได้จริงๆแล้วมันจะเป็นการสร้างบาปให้แก่ตัวเองอย่างไม่มีเหตุผลถ้าบ้านธรรมดาที่แข่งอยู่ในศี่ห้าเขาทานข้าวเย็นได้มีครอบมีครัวได้ให้เครื่องประดับตกแต่งได้จะทําอะไรก็ได้ถ้าไม่ละเมิดสีลห้าขอ้อและการละเมิดนั้นไม่เป็นบาปเป็นกรรม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 บางเอิญเอื้อมมือไปจับใบไม้เรือวิ่งไปโดยความโรกตอนน้ำมันเชี่ยวใบไม้ขาดไปพระต้องอาบัติจิตจิแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้แสดงอาบัติพระองค์นั่นบำเพ็ญเพียรอยู่ตั้งสองหมื่นปีไม่สำเร็จมรกผลนิพพานใดๆไม่รู้ธรรมเห็นรับแต่เป็นฆราวาสแล้วจะถางฝ่าขุดดิน แล้วก็ไปภาวนาอย่างสําเร็จมาผลนิพพานได้พลาดโสสินสองร้อยี่สิบเจ็ดไปเด็ดไปไม้ไปเดียวภาวนาไม่รู้ทำเห็นดับเพราะฉะนั้นกามที่เราจะเพิ่มศีลของเราให้มากขึ้นมากขึ้นนี่ต้องพิจารณาดูสมรรถภาพของเราสี่งที่จำเป็นที่สุดก็คือว่าให้แขล้งในศีนห้าข้อเมื่อแก่้งในศีนห้าข้อแล้วสีนอื่นๆนั่นอะ่ะมันค่อยกระเถิบขึ้นไปเอง สำหรับปัญหาข้งแรกนี้ขอตอบเพียงแค่นี้อีกปัญหาข้อต่อไปเวลานั่งโสดมลเดนจงกลมหรือว่ากำหนดสติอยู่ที่กาย อ, อยู่ที่กายแล้วทุกอย่างจะรู้สึกเหมือนมีอะไรแทงเข้าไปตรงเสกมากาภายในเสมอปวดหัวก็ไม่ใช่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 เป็นกระแสจิตที่แท่งตรงออกไปทางหน้าผากมากพวกนักใช้กำลังจิตก็ว่าพลังจิตนี่มันออกตรงหน้าผากระหว่างเหนือ